ลำดับที่หนึ่งคติธรรมก่อนฟัง mp สแผ่นที่หนึ่งในงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่จามมหาปุญโญวัดป่าวิเวกวัฒนารามจังหวัดมุกดาหารคติธรรมก่อนฟัง mp สแผ่นที่หนึ่งเนื่องในงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่จามมหาปุญโญ วันที่ห้ามกราคมพุทธศักราช2557ให้คติธรรมหัวข้อว่าคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกคำนี้เราเข้าไปทำงานในงานไม่ว่าจะเป็นงานไหนเป็นงานใหญ่ชุมชนและสังคมกลุ่มใดก็ต้องมีความเห็นขัดแย้งกันเป็นธรรมดา เพราะนั้นคนที่ไม่เห็นด้วยเขาก็ขัดแย้งพร้อมกันเขาก็นินทาดูถูกแต่ว่าการนินทาหรือดูถูกของเขานั้นเราจะมองข้ามทีเดียวก็ไม่ได้เราก็ต้องฟังฟังเสียงทุกเสียงแต่ว่าผู้หวังดีหรือเจตนาดีก็มาพูดแนะนําชี้แนะชี้นา ต่อหน้าของเราเราก็พร้อมที่จะยอมรับในเรื่องที่เขามาแนะนำบอกกล่าวถือว่าเป็นผลดีสำหรับผู้ให้ความคิดเพราะว่างานใหญ่ไม่ว่าระดับไหนก็ต้องอาศัยผู้รอบข้อบผู้ผ่านประสบการณ์ผู้มีสติปัญญามาบอกกล่าวแนะนำผู้ที่ทำงานก็ต้องยอมรับฟัง ทุกหมู่เหล่าเพราะฉะนั้นการทำงานมีนานาจิตตังนานาทัศนะลูกศิษย์ลูกหาครูบาอาจารย์หลวงปู่จามเป็นต้นก็ต้องมีลูกศิษย์ลูกหาขององค์ท่านมากมายเพราะท่านอายุยืนถึงร้อยสี่ปีเพราะนั้นลูกศิษย์ลูกหาขององค์ท่านมากมายเพราะนั้นเวลาถึง ขาวละสังขารของท่านจะมีการประชุมสรีระของท่านก็ต้องมีลูกศิษย์ลูกหาออกมาพร้อมกันจะให้ผู้ใดใครผู้หนึ่งเป็นผู้รับภาระก็คงจะหนักเกินไปเพราะนั้นในขณะที่ออกมาร่วมกันถ้าทุกคนเจตนาดีเพื่อเชิดชูบูชาที่เราได้รับทำคำสอนขององค์ท่านแล้วก็ทำด้วยความหวังดีเจตนาดี ด้วยกันอันนั้นไปว่าดีเลิศแต่ถ้าหาว่าพวกเราเอพอทำเข้าไปแล้วก็มีความอิจฉาหรือวความไม่พอใจในจุดใดจุดหนึ่งหรือกลัวคนอื่นเขาจะล้าหน้าหรือเขาจะได้หน้าได้เกียรติได้ยศคล้ายๆว่าอยู่ในเครือข่ายวงของอโลกธรรมแปดนั่นแหละไม่ไปที่ไหนแต่ตอนนี้ถ้าหากว่า ผู้ที่มาเกี่ยวข้องเช่นนั้นก็มีความไม่พอใจในใจของตอนเองอก็แสดงออกท่านจะเป็นบัตรสนเทหรืออะไรก็เคยมีเพราะนั้นสิ่งเหล่านั้นที่ผ่านๆมาเหล่านั้นหลวงพ่อเองในฐานะที่เคยทางานครูบาอาจารย์มาหลายๆองค์ก็เคยพบเคยเจอมาพอสมควรเกือบจะว่า ไม่เว้นแต่ละงานแต่งานไหนจะหนักจะมากจะน้อยต่างกันเท่านั้นเพราะนั้นจึงให้ตติธรรมหัวข้อว่าคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกเพราะนั้นขอให้พวกเราสาธุชนทุกหมู่เหล่าพวกเราจะทํางานในหน้าที่อะไรก็ตามถ้าว่าเป็นชุมชนและสังคมพวกเราต้องทําใจไว้ก่อนว่างานนี้ ไม่ใช่จะเขาจะยกย่องเชิดชูสรรเสริญเราอย่างเดียวนะพร้อมที่เขาจะเล่นงานเราอย่างไรเพราะนั้นเราเตรียมพร้อมหลายหลายด้านอย่าให้เขาได้ทำนิติฉินนินทาเราได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องลาบเรื่องลาบเรื่องยศพูดง่ายๆกับเมื่อกว่าเรื่องเงินเรื่องเงินเราต้องสะอาด ต้องมีที่ไปที่มาต้องมีค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไรให้มีความบริสุทธิ์ในจุดนี้ถ้าาว่าจุดอื่นก็ยังเป็นรองรองลงไปถ้าจุดนี้มีมนทินแล้วจะไม่เป็นมนทินนานเท่านานเพราะนั้นขอฝากไว้กับสาธุชนทุกหมู่เหล่าการทําการทํางานร่วมกันจะให้ไม่ให้ถูกนินทาไม่มีในโลกแต่ก็งานของหลวงปู่ วันพระรานทานเพลิงศรีร ะ, ะวันที่ห้าก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นสวยงามเป็นที่ประทับใจของสิทยิญาณุสิทธิ์หรือลูกหลานโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งหลวงปู่จามเป็นหลวงอาหลวงพ่ออินประทับใจในงานของหลวงอาขาวในีรู้สึกประทับใจเห็นใจแล้วว่าขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า ตลอดถึงพระสงฆ์น้องนุ่งทั้งหลายที่เข้ามาร่วมงานหลวงพ่อขอขอบพระคุณอย่างมากในบรรดาคณะัตยาญาติโยมหรือว่าพระเนนทุกหมู่ทุกเหล่าที่มาร่วมมาร่วมงานในครั้งนี้คราวนี้ด้วยอำนาจคุณพระศีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธ์ทั่วสากลโลกคอยมาคุ้มครอง พวกเราท่านทั้งหลายด้วยบุญบา ร, รมีของหลวงปู่จามมหาปุญโยท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาตั้งแต่สมัยเป็นพระน้อยหนุ่มแต่งหรือในอดีตแต่ชาติขององค์ท่านก็ขอให้มาคุ้มครองพวกเราท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกๆ ท, ท่านด้วยเทิ